อ่าหนึ่งชาวนะเจ็ดขณะเพราะฉะนั้นอย่างที่อาตมาพูดเนี่ยนะหนึ่งคำที่หลุดออกไปเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งชาวนะอย่างน้อยเนี่ยนนี้พูดแบบน้อยเอาไว้ก่อนแต่พูดมากอาจจะหลายชาวนะถ้ไมคิดอย่างเดียวแล้วก็หนึ่งความคิดก็หนึ่งชาวนาหนึ่งหนึ่งวิตกหนึ่งครั้งเนี่ยก็ก็คํานวณไปว่าจิตเนี่ยปกติเกิดดับประมาณท้ารับนิ้วมือแสนโกดขณะก็คำนวณเข้าไปว่าชั่วโมงหนึ่งก็จะกี่ล้านชวนะก็ว่าไป ก็ไม่ใช่บุญมั้งอ่าไม่แน่นะอาจจะคิดจะให้ทานมันได้ยังไงจะช่วยมันได้ยังไงก็ได้แต่ถ้าคิดโอ้โหตัวนี้สวยนะราคาเท่าไหร่นะมีเลี้ยงไว้ที่บ้านสักตัวก็ดีองนะก็อย่าไปจุติแถวแถวนั้นนะระวังนั้นนะแย่แนะ่ <c oughs> ถ้าไม่ตายก็ดีไปได้บุญ <c oughs> ะนะทีนี้เมื่อเมื่อกรรำเนี่นะสมมุติว่าอย่างชาตินี้สมมุติชาตินี้ชาติปัจจุบันก็ทํามาแล้วหนึ่งสอถึงหก ดวงที่เจ็ดหนึ่งปกติมันจะให้วนอยู่ในชาตินี้ดวงที่เจ็ดให้ได้ชาติหน้าสองถึงหกไม่รู้อะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปอ่ะ น, นะของชาตินี้ก็เหมือนกันหนึ่งสองถึงหแล้วก็ดวงที่เจ็ดเนี่ยนะหนึ่งก็ให้ผลในชาตินี้เจ็ดก็ให้ผลได้เฉพาะชาตินี้สองถึงหก็ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปก็ไล่มาอย่างนี้นี่นะมันคำนวณไม่ถูก เพราะฉะนั้นพุทธศาสนามีไหมบอกว่าเธอจงชดใช้กรรมเถอเนี่ยนะเมื่อเราเขามีรัตทีเดราทีว่าเราเนี่ยเป็นผู้ทำกรรมเอาไว้แล้วกรรมในอดีตรเราทำไว้แล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็ชดใช้กรรมในอดีตให้มันหมดซ ะ, ะวิธีชดใช้กรรมเขาทำยังไงคุณประพฤติวัดนะสร้างวัดอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นเช่นเรียนแบบ เรียนแบบโคคุณเรียนแบบสุนัขอ่นนะวิธีนี้คือวิธีชดใช้กรรมแล้วคุณอย่าไปทํากรรมใหม่เพราะฉะนั้นเมื่อใช้กรรมเก่าหมดไม่ทํากรรมใหม่คุณก็จะนิพพานด้วยอาการอย่างนี้อ่นนะอันนี้นิครนเขาสอนลูกศิษย์เขาเป็นอย่างนั้นอันลูกศิษย์บางเจ้าก็ไปเรียนแบบเหมือนโคบางเจ้าก็ไปเรียนแบบเหมือนสุนัขเนี่ยนะเขาก็ทําตัวได้เหมือนเกือบเปียบเลยแหละอ่นนะเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็ถามว่า นี่แกรู้ไหมว่าแกเคยทำกรรมเอาไว้ในอดีตบอกไม่รู้แล้วแกรู้ไหมว่าแกใช้มันหมดไปเท่าไหร่แล้วบอกไม่รู้แล้วยังเหลืออีกเท่าไหร่แกรู้ไหมไม่รู้แล้วแกรู้หรือว่ากรรมเนี่ยบางอย่างมันให้ผลชาตินี้แกรู้ไหมไม่รู้แล้วจะให้ผลชาติหน้าจกรู้ไหมบอกไม่รู้บอกโอ้โหศาสนาอะไรจะงโง่แบบนั้นอันนั้นเลันะ <c oughs> <c oughs> ก็แปลว่าอย่าเรียนว่างั้นเถอะต้องเรียนนะคะอ๋อไม่ใช่พูดไว้แอย่าเรียนเลยมันยากมากก็จะไปเรียนมันหมดเรื่องของเราไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ว่าให้เข้าใจเหตุผลรวมๆว่าเหตุผลมันเป็นอย่างนี้นะนะแต่ว่าเราไม่สามารถบอกได้ว่าคือนี้พูดถึงอนุภาพของเรากันเองอนะว่าในหนึ่งความคิดอย่างเช่นที่กําลังพูดหนึ่งคำเนี่ยชาวนะอนั้นเนี่ยดวงที่หนึ่งเนี่ยมันจะให้ผลอีกสปีข้างหน้า7ปีข้างหน้าเราบอกไม่ได้ อย่างหนึ่งอย่างที่สองดวงที่เจ็ดให้ผลชาติหน้าเนี่ยมันวันไหนวันที่ไหนและณที่ไหนเนี่ยอันนี้เราเองก็บอกไม่ได้ดวงที่สามถึงดวงที่6ต่อไปเนี่ยนะมันจะให้ผลวันไหนยังไงอันนี้เราก็บอกไม่ได้เออสองถึงหกะนะเราก็บอกไม่ได้ถามว่าเหมือนอะไรเหมือนกับชาวนาเนี่ยนะเขามีนาอยู่สักเขามีนาสักห้าสิบรายนะ ก็มีพื้นที่ห้าสิบไร่เนี่ยเขารู้ว่านาทั้งหมดเขาทําด้วยมือของเขาเองแล้วเขารู้ด้วยว่าหลังจากนี้ต่อไปสี่เดือนเนี่ยเขาจะบริโภคมันแน่นะจะได้เก็บเกี่ยวให้ผลแต่ชาวนาเนี่ยรู้ไหมว่าฉันจะกินแปลงนี้ก่อนในวันหนึ่งะนะวันที่หนึ่งวันที่สองจะกินแปลงนี้วันที่สามจะกินวันที่สี่จะกินแปลงนี้วันที่ห้าแล้วแปลงนี้มันจากมาเนี่ยแล้วก็ใช้ปุ๋ยอันนั้นนะใช้คอกนั้นมาซ้ำปุ๋ยอนนี้นะชาวนาเขารู้ขนาดนั้นไหม ไม่ได้รู้ขนาดนั้นอะไรหรอกเ น, นี่ยนะแต่รู้ว่าเป็นผลพวงจากที่ทำมาเ น, นี่ยนะก็ว่าโดยรวมๆเหมอะนะอย่างคุณชุ่มนี่ใช้จ่ายวันนี้รู้ไหมว่าเป็นผลที่ทำงานไว้ตั้งแต่วันไหนมาก็ไม่รู้แต่รู้ว่าเป็นผลของแรงงานของตัวเองเ น, นี่ยนะลักษณะของกรรมก็จะลักษณะเดียวกันแต่ถามว่ามีผู้ที่รู้ละเอียดเป๊ะขนาดนั้นไหมมีก็พระพุทธเจ้าไง ถ้าอยากรู้ละเอียดขนาดนั้นก็20อสง์ไขแสนกับถ้าเริ่มนับเริ่มคิดอยากเป็นตั้งแต่วันนี้นะีถ้าปัญญาที่กะก็ก็ไม่เป็นไรก็อีก20อสง์ไขแสนกับก็อาจจะรู้ก็ได้นะถ้าจะเอาละเอียดยิบขนาดนั้นอ่ะนะแต่ว่าเราว่าโดยรวมๆก่อนว่าเงื่อนไขเหตุผลมันเป็นอย่างนี้ว่าพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้ชดใช้กรรมแล้วพุทธศาสนาพูดยังไงพระองค์บอกว่าชรามรณะเนี่ยนะ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 ในเง so ื <im> ่อนไขหลักๆนี่นะพระองค์บอกว่าถ้าสํามโลกกิเลสหรือสํารโกตัณหาไม่มีส่วนเหลือกรรมก็ดับเมื่อกรรมดับชาติก็ดับเมื่อชาติดับชรามรณะโศกปริเทวทุกโทมรณะและอุปาญาตก็ดับความดับแห่งกองทุกมีด้วยอาการอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงดับที่กิเลสเนี่ยนะดับที่กิเลสทีนี้กิเลสจะดับดับได้ยังไงถ้ากิเลสมันจะเกิดเกิดเพราะอาศัยอายตนะอาศัยผัสสะอาศัยเวทนาก็รู้เหตุเกิด ความดับอัสาธาอาทีนวะนิสระของอนายกตัวอย่างเช่นเวทนาเป็นต้นก็จักดับกิเลสได้ถ้าดับกิเลสได้เมื่อสิ้นกิเลสก็สิ้นกรรมถ้าสิ้นกรรมก็รู้ว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำํำทำเสร็จแล้วเนี่ยนะก็เรียกว่าตัดตัดสมุทัยคือสาเหตุของสิ่งเหล่านี้ได้ได้จบสิ้นแล้วเห็นไก็จึงไม่ใช่หลักการว่าจะใช้กรรมได้ยังไง อาจจะเป็นพวกเรานั่นแหละเมื่อก่อน100ไปเรียนแบบเข้ามาไม่น่ายังอยู่ค้างในนานขนาดนี้นจเจ้ารับที่ที่ว่าอาจจะเราก็ ไ, ได้ไม่มีภาษาศนาก็จะต่างอะไรจากคนบ้าน จิตนี้เป็นขนาดที่มันเกิดนะมันเท่ากับสะสมเหตุสะสมปัจจัยเพื่อที่จะมีวิบากต่อไปแล้วนะส่วนเจตสิกคงอีกสัก1ินาทีนะตรงนี้พักกันก่อนเอานะต่อเนานะ พักให้ระวังเลยนะคุยกันเสร็จแล้วมั้งเพราะหมายกุศไม่ว่าอัดอั้นตานใจไว้ตั้งชั่วโมงกว่านะให้ได้ระบายมั้งสว่างกันเนี่นะบอกพักหนึ่งมีคำถามว่า อะไรเป็นเหตุใกล้แห่งทีหนะามิธาเขาบอกว่าก็เสียงอาจารย์นี่แหละมันเหตุใกล้มาก็ว่ากันนะเขามาขมีทุกวันนี่เลยนี่ต่อไปว่าเจตสิกเลยนะธรรมชาติชื่อว่าเจตสิกเพราะอถาว่ามีในจิตคือมันอยู่ในจิตอ่ะนะมีโดยความ เป็นไปเนี่ยเนื่องด้วยจิตคือมันต้องอาศัยจิต <c oughs> ที่เขาวิเคราะห์ว่าธรรมชาติใดมีคือเกิดในจิตเพราะเหตุนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าเจตสิกเพราะมีความเป็นไปเนื่องด้วยจิตนะอันนี้เป็นวิเคราะห์คำว่ามันอยู่ในจิตจิตในฐานะที่อยู่ของของเจตสิกบางแห่งเขาเปรียบเทียบว่าจิตเนี่ยเหมือนกับน้า เจตสิกเหมือนกับสีหลายสีที่มีอยู่ในน้ำเดียวกันนะเช่นว่าถ้าเจตเช่นยกตัวอย่างนะภาษาเวทนาสัญญาเจตนาเนี่ยนะแต่ละอย่างเนี่นยก็ถือว่าคนละสีคนละสีคนละสีกันแล้วก็จิตเนี่ยกับน้ำนะมาประกอบกันเข้าฉะนจิตเนี่ยเหมือนกับน้ำเจตสิกเหมือนกับสีในที่เดียวกันนะแต่ว่าสีก็อยู่ในในน้ำ จึงอยู่เจตสิกนั้นเว้นจากจิตแล้วก็ไม่สามารถจะรับอารมณ์ได้เพราะเมื่อจิตไม่มีเจตสิกทั้งปวงก็เกิดไม่ได้ส่วนจิตแม้เว้นจากเจตสิกบางอย่างก็ยังเป็นไปได้ในอารมณ์คือเจตสิกนี้จาเป็นมากต้องอาศัยจิตแต่ว่าจิตบางอย่างไม่จำเป็นต้องอาศัยเจตสิกบางอย่าง เพราะฉะนั้นเจตสิกนั่นแหละจึงชื่อว่ามีความเป็นไปเนื่องด้วยจิตถ้าว่าไปในง่ายก็คือสิ่งที่อาศัยจิตนั่นแหละเรียกว่าเจตสิกทีนี้จิตนี้ที่มันเกิดร่วมกับจขอเจตสิกเกิดร่วมกับจิตเนี่ยนะที่ใช้คำว่าเกิดร่วมจะไม่ได้เหมือนรูป น, นะเพราะเงื่อนไขข้อการเกิดร่วมของเจตสิกมีอยู่4อย่างด้วยกันที่ประกาศถึงความเป็นสัมปยุตตะ ป, ปั จ, จยัย สัมปยุตนี้แปลว่าเกิดร่วมกันเนี่ยนะปัจจัยที่เกิดร่วมกันลักษณะหนึ่งเอก ป, ปาท t เนี่ยนะก็มาจากเอกะบวกอุปาทะแปลว่าเกิดร่วมกันหรือเกิดพร้อมกันเนี่ยนะสเอกะลํมพนาะเนี่ยนะอารมพนะหรืออารมณะเหมือนกันอารมณ์เดียวกันเนี่ยนะ ก็สเอกะนิโรธะนิโรธนี่แปลว่า ด, ดับแปลว่า ด, ดับพร้อมกันแล้วก็4เอกะวัตถุกะนี่นะคืออาศัยวัตถุเดียวกันคือมีที่อาศัยเดียวกัน คือมีวัตถุเดียวกันน่ะนะเช่นว่าถ้าจิตเกิดจากขูจากขูวัตถุเจตสิกก็อาศัยจากขู่วัตถุเนี่ยเกิดเหมือนกันถ้าจิตอาศัยโสตวัตถุเกิดเจตสิกก็อาศัยโสตวัตถุเหมือนก <avier. S 1> <อ>ันนะนะคำว่าวัตถุนี่แปลว่าที่อาศัยเกิดของจิตก็อย่าไปลากตามพยัญชนะเนืน่องอ่านไม่ออกช่วยไม่ได้เอเขียนเขียนไปยังไงแหละจะได้ให้พอจดทันบ้างนะ กไม่ใช่บนี่นะมาจะเล่าให้ฟังว่าของมาถ้าเขียนไว้นานๆ น, น, นะก็อ่านไม่ออกเหมือนกัน <c oughs> ไม่รู้เขียนว่าอะไร <c oughs> อันนี้อันนี้ใบ ก็ต้องไปนักดาวว่าหัวเขาว่าเรื่องอะไรอยู่เลก็อ๋อพอได้ดงนั้นความเป็นสัมปยุติปัจจัยเนี่ยเกิดพร้อมกันสิ่งที่เกิดพร้อมกันแต่ไม่ได้ดับพร้อมกันก็มีชเช่นจิตกับจิตตชโรบเนี่ยเกิดพร้อมกันแต่ว่าไม่ได้ดับพร้อมกันจิตในฐานะเป็นประธานของเจตสิกเนี่ยไง พระพุทธพจ์ว่ามโนโปุบผังขมาธรรมมาอะนมโนเศรษฐามโนโมายาเนี่ยคือฐานะว่าจิตเนี่ยเป็นประธานของเจตสิก <c oughs> ไม่ดับพร้อมกัน <c oughs> อาจจะดับพร้อมก็คือวินยตแต่ถ้ารูปอื่นไม่ดับพร้อมกัน <c oughs> <c oughs> เพราะว่าอายุของรูปมันสิบเจ็ดขณะจิต ทำไมนะมะโนปุพพังขมาธรรมะอย่างนะมะโนเศรษฐามโนมยาอ่าปุพพังตัวนี้แปลว่าเกิดก่อนอย่างนะ เศรษฐานี่แปลว่าเหมือนกับพี่ชายคนโตนะแปลว่าเป็นคนคนโตกว่าแล้วก็มายานี่แปลว่าสาเร็จด้วยด้วยจิตเนี่ยนะทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สาเร็จแล้วแต่ใจคำว่าธรรมมาตัวนี้หมายถึงเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันคำว่าธรรมะตัวนี้หมายถึงนามขันสาจิต คือคำว่ามโนโตรงนี้นะหมายถึงจิตจิตนี้เป็นธรรมชาติที่เกิดก่อนนามขันสามเ้ยถ้าจิตถูกโทษประทุสร้าย่นั้นไถ้าจิตเนี่ยมีโทษประทุสรายคือจิตสามอย่างเนี่ยถ้ามีโทษประทุสร้ายโทษก็คืออะไรบ้าง อพิชาประทุสรายพยาบาทประทุสรายหรือว่ามิจฉาทิฏฐิแปลยังไงว่าถ้าเจตสิกมันเข้าไปประทุสรายจิตเหมือนกันนะอันนี้เป็นมโนกรรมนะเป็นมโนกรรมพูดอยู่ก็ตาม พูดก็เป็นคำพูดชนิดไหนถ้าถ้าพวกนี้กระดอนออกมานะมูสาบัางพรุสวาจาบัางสัมผับปลาปะบั้งปิสุนาวาจาบัาง น, นะถ้าทาทางกายออกมาก็เป็นเป็นไปกับปานาติบาตอธินนาทานการเมสุมิชฌาจาร เพราะทุจริตสามอย่างบริบูรณ์คือมโนโทุจริตอย่างหนึ่งวจีทุจริตอย่างหนึ่งกายทุจริตอย่างหนึ่งถ้าทุจริตสามบริบูรณ์ทุก น, นะทุกย่อมติดตามไปเหมือนอะไรเหมือนอล้อเกวียนที่หมุนไปตามรอยเท้าโคฉะนั้นเหมือนกับ เหมือนกับล้อเกวียนนะที่ตัวที่มันหมุนไปตามรอยเท้าคนะบาปก็จะติดตามมาฉะนั้นะแต่ถ้าฝ่ายดีอ่ะถ้าฝ่ายดีว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วแต่ใจถ้าบุคคลเนี่ยมีใจอันโทษไม่ประทุษร้ายหรือว่าประสันเนนะคือมีใจผ่องใสผ่องใสด้วยอานพิชาอัพพยาปาทะและสัมมาทิฐิพูดอยู่ก็ตามคาพูดจะเป็นวจีสุจริตทาอยู่ก็ตามเป็นมโนสุจริต กายสุจริตความสุขะ น, นะความสุขย่อมติดตามเข้าไป น, นะเหมือนเงาติดตามตัวฉะนั้น น, นะอันนี้เหมือนอะไรนะล้อเวียนใช่ไหมหมุนไปตามรอยเท้าโคผู้ลากเวียนไปอยู่ฉะนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วนะบางคมภีท่านบอกว่าไม่มีความต่างกันเลย จะใช้คำว่าเงาบุญก็ตามเหมือนเงาบาปก็ตามเหมือนเงาอะนะจแล้วมันตามหมดเลย